วันนี้วันเกิดไหมมีเท่าไหร่แล้ว34ม่ค่ะสามสเกิดจะกท้าวพระเจ้าตอนที่ตัดทะลุนะี่ยแ้วตัดทะลุตอ น, นอายุ35เอาใกล้แล้วจะตัดทนะลุไหมเ้ยเตียนงะรู้ทุกข์หรือยังรู้เหตุของความทุกข์หรือยัง รู้วิธีดับทุกข์ก็ยังภา ว, น า, าวนาเพื่ออะไรภาวนาเพื่อให้ใจว่างเพื่อชำระจิตให้รู้สึกเคลนนะตัดกิเลสตัดความโลภตัดความอยากอตัาใดมีความโลภความอยากอยู่ก็ความทุกข์ก็จะไม่มีวันหมดไป อยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรกินกันนอนก็นพอสบายจตายไปไม่ต้องไทำอะไรทำไม่ได้เลยลาบเนี้ยสารเลงตายไปก็อไปไม่ได้กินนอนสบายให้ถึงเจาสอนให้กินนอนมันอยาก็ปทำอะไรมากทำไปก็เหน่อยไปปาทุกก็ไปเปล่า ได้อะไรมาก็ต้องเสียไปไม่มีเอาอะไรไปไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวได้มาแล้วก็ต้องทุกกับมันทุกต้องดูแลรักษาทุกเวลาที่เราจจกมาไปไม่มีอะไรกับสบายไปไม่มีอะไรก็ต้องก็ไม่มีอะไรจะต้องดูแลรักษา ไม่มีอะไรจะต้องมากังวลด้วยมีสามีก็ต้องมาเวลารักษาสามีเวลารักษาภรรยากังวลกับสามีกับภรรยาพะุทธเจ้าบอกมีอะไรก็ต้องทุกกับเรื่องนั้นน่ยถ้าไม่มีก็ไม่ทุกมีลูกก็ต้องทุกกับลูกไม่มีลูกก็ไม่ต้องทุกกับลูก มีสามีมีภรรยาก็ต้องทุกับสามีทุกกับภรรยามีทรัพย์สมบัติก็ต้องทุกทกบับสมบั ต, ต, บบติไม่มีแล้วสบายแต่ใจชอบมีเวลาไม่มีแล้วกลับทุกชอบแขวนเท้าหาเสี้นอ ย, อยู่เฉยไม่เป็นสุขต้องมีทุกข์มาให้ปวดหัว ตงรงนี่องมมาปวดหัวรู้สึมันจะเบื่อมันอยู่เฉยๆแล้วมันเบื่อไม่มีอะไรทำเพราะเราอยู่เฉยๆไม่เป็นใจเราดิ้นตลอดเวลาต้องหยุดต้องทําให้มันหยุดดิ้นให้ได้ถ้ามันหยุดดิ้นแล้วก็จะสบายใจเป็น น, นั้นเอง ดงมันไม่ยอมอยู่กับที่มันชอบกระโดดโลดเต้นเวลาจับมันอยู่เฉยมันก็ดิ้นต้องหายาสลบมาฉีดเอาพุโทโธมาฉีดพุโทโธพุธโทโธไปเดี๋ยวจิตก็สงบสลบสลายสบายพอใจสงบกาสงบแล้วก็เย็นสบายในภาวะสุข พยายามมาทำงานตอนนี้กันดีกว่ามาหยุดใจเราพระเจ้าบอกองค์คุลิมานะเราได้หยุดแล้วเธอยังไม่ได้หยุดหยุดจากอะไรหยุดจากความโลภความโกรธความหลงหยุดจากความอยากต่างๆหยุดจากความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสไม่อยากดูไม่อยากฟังไม่อยากดมกลิ่นนิ่มรส เฉยๆดูก็ได้ไม่ดูก็ได้ไม่ดูก็ไม่เดือดร้อนดูก็ไม่เดือดร้อนเอย่าไปอยากเป็นนั่นเป็นนี่หรืออย่าไปอยากในสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พออยากแล้วใจก็จะไม่สบายปัญหาอยู่ที่ความอยากพระเจ้ า, าจทุกเกิดจากความอยาก ความทุกข์จะดับไปก็เมื่อไม่มีความอยากาการจะหยุดความอยากได้ก็ต้องทำใจให้สงบเวลาใจไม่สงบใจก็จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นนไม่หยุดหยุดใจกันหยุดความอยากกันหยุดความคิดกันความคิดเป็นเครื่องมือของความอยาก มืนก็ลรถยนเป็นเครื่องมือของพวกเราถ้าเอาไปเจาะยางรถมันก็วิ่งไปไหนไม่ได้แล้วไม่อยากจะให้แฟมเที่ยวออกนอกบ้านก็ไปปล่อยลมปล่อยยางรถยางแตกแทนก็ขับรถไปไหนมาไหนไม่ได้ดันก็ต้องอยู่บ้านความอยากก็เหมือนกันถ้าคิดแล้วมันก็อยากพอคิดถึงขนมนก็อยากจะกินคิดถึงละครก็อยากจะดู คิดถึงเรืน่นั้นเรื่องนี้ก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนีน้ถ้าไม่คิดได้ก็สบายพอหยุดคิดได้แล้วสบายไม่มีอะไรมาให้เราต้องไปอยากด้วยเวลาอยู่บ้านก็วุ่นวายพอออกมาจากบ้านก็สบายใจนะไม่ได้เห็นไม่ได้ยินสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในบ้านพอเห็นแล้วก็อดที่จะอยากไม่ได้ อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้นต้องมาหัดมาควบคุมความคิดด้วยสติสติเป็นเครื่องมือหยุดความคิดเอาสติมาดูมาหยุดเวลาจะคิดอะไรถ้ามีสติก็สั่งให้มันหยุดได้ถ้ามันไม่หยุดก็ใช้คําบริกรรมหยุดมันพุโทโธพุโทโธไป สวดมนต์ไปก็ได้สวดมนต์ไปเรื่อยๆ ย, ยาวๆน า, านๆสวดอรหังซ้ำมาสุปฏิปันโนประว่าขาโตไปอย่าปล่อยให้ไป<ด>คิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้พอไม่คิดแล้วเดี๋ยวความอยากก็หายไปความไม่สบายใจก็หายไปปัญหาอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่ความคิดเรายังวควบคุมความคิดเราไม่ได้ ไว้ให้มันคิดไปทางความอยากอยากแล้วก็ทุกขวุ่นวายใจถ้าไม่อยากแล้วก็ไม่มีปัญหาเลยใครจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาใครจะทำอะไรก็เรื่องของเขาใครจะดีใครจะชั่วก็เรื่องของเขาเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้หรอเราไปสั่งเขาไม่ได้เพราะตัวเขาเองมือซีก็สั่งไม่เขาเองยังสั่งไม่ได้ ก็ใจของเขาเขาไม่มีเครื่องมือหยุดมันเขาไม่มีสติยับยั้งหยุดมันแล้วคนอื่นจะไปบอกให้เขาหยุดได้ยังไง mm. เราหยุดใจแล้วก็พอหยุดความคิดของเราก็พอพอเราไม่คิดแล้วเราก็ไม่เดือดร้อน <Okay. S 1> กับเรื่องราวของคนอื่นคนอื่นจะดีจะช่วยก็เรื่องของเขา mm. ดีเขาก็มันก็ดีกับเขาช่วก็ช่วยกับเขา ไม่ได้มาดีกับเราไม่ได้มาชั่วกับเราพยายามมาควบคุมใจแล้วควบคุมความคิดของเราเราสบายแล้วทีนี้เราก็จะทำอะไรได้ทำอะไรให้กับคนอื่นได้ถ้าเราไม่สบายใจเราก็ไม่อยากจะทำอะไรให้กับใครตัวเราเองทำให้เราไม่สบายใจไมใ่ให้หายจากไม่สบายใจไม่ได้เราจะไปทำอะไรคนอื่นได้ เี๋ยวะอยาจะถามเลยไหมทลายล้ือเปล่ามาว่ามาเดี๋ยวถามมาถามครับพอดีผมมีคันหาคือผมอยากจะทราบว่าทราบผ ม, ผ, มผิดผิดสิ่งข้อสามกาเมีหรือเปล่าครับพอดีผมโหลงรักรุ่นพี่ที่ทำ ง, งานนี่ครับทางจากผมอายุประมาณ15ปีครับก็คือจริงจริงจผู้หญิงเขาก็ ก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้มีอะไรทาคดีในรับกับแฟนเขาแล้วแต่ว่าทางนดีในเา็ายัางยังยังยังยังจดทะเบียนกันอยู่ครับที่นี้ผมก็ก็ได้ได้ได้ไดไดไดลงนามมาเป็นเวลาสิบกว่าปีแล้วครับทีนี้เนาวาหลังๆก็คือก็คือได้เลิกเลิ ก, เ ล, กเลิกมีอะไรกันแล้วครับ ก็น่าจะได้ประมาณหกเ็ปีครับทีนี้ผมอยากจะจะลาออกมารวมนะครับแต่ว่าแต่ว่าผมยังเป็นห้วงไม่รู้มู่้ไม่รูรู้แตน่เนี่ยยังทิ้งเขาไม่ได้ยังตัดเขาไม่ได้นะ แันไม่ได้ก็บวนไม่ได้จะเอาทั้งสองอย่างได้ไงอย่างท้องพี่พ อ, อากทั้งน้องได้ผมจะเออี่ลิทานเดือนมิถุนายนน้ครับกล่าวว่าจะมาขอบวชกัพระอาจารย์ครับบวชนั้นไม่ยากแต่อยู่มันยากคพราะฉะนั้นถ้าใจเราไม่เข้มแข็งมันเดี๋ยวก็เจออุปสรรคต่างๆ ไม่เจอใครแล้วเจอกิเลสของเราเอ <Okay. S 1> อะจะอยู่ได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่ความเข้มแข็งความอดทน <Okay. S 1> บวชดงด่าย <Okay. S 1> ไปสมัครแค่ไม่กี่วันให้ก็สมัครวันนี้อาทิตย์สองาทิตย์ก็บวชได้แล้วอ่า <Okay. S 1> บวชแล้วจะอยู่ได้หรือเปล่าการมาบวชนี่ก็เพื่อมาจับ ความอยากของเราขังไว้ในคุกอย่างนี้ออกมาเพ่นผ่านไม่ได้อยากจะไปไหนมาไหนเหมือนตอนเป็นคาราวานก็ไปไม่ได้แนละ้วเวลาไม่สบายใจเป็นคาราวานก็ขับรถไปหาเพื่อนไปเที่ยวไปทาอะไรแก้ทุกข์ไปสักพักหนึ่งแต่พอมาเป็นพ่านมันมันไปไหนไม่ได้มันต้องมาแก้ด้วยการทําใจให้สงบ ถ้าเราไม่เคยฝึกทำใจมาก่อนที่มันจะทรมานตอนนี้ผมก็ก็พยยากฝึกอยู่ครับบวชบวชนั้นมันบวชนั้นไม่มีปัญหาครที่นี่เขาก็มีวันบวชทุกเดือนส่วนการบรวชนที่วัดเขาจะจัดวันบวชให้เดือนละครั้ง<ช>บวชมูใครต้องการบรวชก็ไปแจ้งให้เขาทราบ แล้วพอเขาได้วันบวชเขาก็จะแจ้งให้เราทราบแล้วเราก็ต้องมาอยู่วัดก่อนเจ็ดวันบวชช่วงแรกก็ต้องภากอยู่ข้างล่างข้างบนนี้สำหรับภาคที่บวชนานนะพอบวชใหม่ต้องศึกษาเรื่องวินยัยศึกษาเรื่องระเบียเรารู้จักว่าพระสวนบนอะไรไปก่อน คดีผมเคยบวชเมื่อตอนอายุยี่สิบเก้าครับบวชที่วัดบวนครับเรียนพันศาในในสอบนักทำเตียงยังครับเ อ, อสอบแค่พณว ก, กะครับยังไม่ได้นักทำเตีงเขาต้องให้เรียนใหม่ เ, เรียนนักทำเตียใหม่ช่วงเข้าภรรษาส่วนข้างบนจะขึ้นมาอยู่ได้ไม่ได้ก็อยู่ที่สถานที่ว่ า, วางหรอเาสองอยู่ที่เราจะรับหรือต่า หรือพระเขาจะรับเราเข้ามาในกลุ่มหรือเปล่าถ้าเราปฏิบัติไม่อยู่ในเกณฑ์ของเขาเขาก็ไม่อยากจะรับเข้ามาเพราะมันเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาเพราะพระารพพการอยู่ร่วมกันมันก็ต้องมีกฎมีระเบียบมีข้อวัตปฏิบัติถ้าไม่ทําตามกฎระเบียบทำข้อวัตปฏิบัติมันก็จะทําให้เสียหาย <c oughs> แล้วต้องขึ้นมาอยู่นี่ก็ต้องเป็นอีกขั้นหนึ่ง อันนีกจะอยู่ข้างล่างไปก่อนนะครับนะก็ขอบคุณพระเจานนะ้าครับแต่มีพี่ระหว่างที่พี่เขารอที่จะตรวจนะคะเขาเขากลัวกลัวใจอ่อนนะคะเวลาที่ที่ อ, อืมอ่าใช่ครับไม่อยากทำนนยังไงนะก็ อ, ะ อ, ะอย่าไปอยู่ใกล้เขาอย่าไปคิดถึงเขาเลย คิดถึงเขาตอนที่เขาตายบ้างคิดถึงซากศพของเขาไปดูเขาผ่าศพดูแล้วนึกถึงตัวเขาว่าต่อไปเขาก็ต้องเป็นซากศพฮัทพิารณาสุภาพบ้างไปดูรูปสุภาพอยากจะได้มีายารักษาโรคถ้าเห็นสุภาพมันก็จะดับความ ความหลงได้อยากความอยากได้ก็ต้องพยายามควบคุมความคิดให้ดีถ้าไปคิดถึงเท่าบ่อยๆเดี๋ยวมันก็ปดไม่ได้อดไม่ได้ก็ต้องฝึกไปคืออยู่ที่ตัวเราเนะี่ยอย่างที่เมื่อกี้ที่ได้ฟังอยู่ที่ความคิดของเราถ้าเรามีสติอยู่ความคิดได้มันก็มันก็ช่วยได้ระดับหนึ่ง ถ้ามีปัญญาเห็นสุภาพมันก็มันก็จะดับได้อย่างถาวรทุกครังที่นึกถึงเขานึกถึงตอนที่เขาตายนึกถึงซากศพของเขาศพนี่มันน่ารังเกียจนถึงซากศพดูบ้างกลิ่นของศพเป็นยังไงหน้าตาของศพเป็นยังไงตายสักสาวันสี่วันแค่ไหนแล้ว บ, บวม ขึ้นอื่นขึ้นมานี้นเป็นยังไงใจต้องกล้าดูของเหล่า น, นี้มันจะได้มีย า, าบากราคะตันหาถ้าไม่ดูสิ่งอันนี้เดี๋ยวมันก็ชอบดูแต่ของสวยๆงามๆเดี๋ยวใครก็ลุกขึ้นลุกแล้วมันก็ร้อนมันก็จะอยู่ในผ้าเหลืองไม่ได้ยาก สอนภาพทุกลูปภาพบทหมายทุกลู่นี้ต้องพิจารณาร่างกายเกษาโนมาเวลาบวชอุปัชฌาสอนวิการพิจารณาร่างกายให้ดูเกษาดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังแล้วต่อไปก็ให้ดูเข้าไปข้างในให้กบสามสิสองอาการมีหนังดูเนื้อดูเอ็นดูกระดูก ดูหัวใจดูตับดูทังผืดนดูตายดูปอดดูไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเนี่ในสมองศีรษะน้ำต่างๆน้ำดีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเหนือน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำถายข้อน้ำมูดเนี่ยมีอยู่ในอาการอยู่ในร่างกายนี้ครบถ้วนไม่ว่าจะหน้าตาดีไม่ดี มีเหมือนกันนะอย่าอย่ามองแต่หน้ามองมองก้นก็ว่างคนเราได้เห็นก้นแนละ้วมันก็ไม่มันก็ไม่อยากจะมีอารมณ์นะเราไปเห็นหน้าเห็นหน้าเห็นตาไม่ยอมมองก้นกันเห็นพยายามมองส่วนที่ไม่สวยไม่งามบ้างจะได้ดับการอารมณ์ได้นะ มีใครอยากจะถามไหมบ้างมีเวลาไหามบ้างมาเราม า, มาคือวันนีเมื่อคืนแฟนเขาฝันนะแต่ว่าก่อนก่อนที่จะฝันคือลูกลูกชายอะ่ะร้องการบรึกว่าเป็นปีอะแล้วก็เขาเขาได้ได้กลิน่นได้กลิ่นคล้ๆตอนตอนที่เปิดโลงศพพ่ออผมานะแล้วก็เขาหลับไปครัว่า ฝันเหงว่าพ่อนะแล้วกอมีใครไม่รู้มา น, นั่งหนุนมาโบสถ์ว่ที่ว่าจะบิดนะฮะนะก็ไม่ทราบว่าเป็นความจริงหรือแบบว่าเคยเคยมีคนถามคำถามอันนี้กับพระอาจารย์แต่พระอาจารย์แบบว่าต้องต้องพูดคุยกันได้ต้องถามมันได้แต่ว่าอันนี้ก็คือว่าเขาได้กลิ่นในตอนนี้เขายังไม่หลับเอเอเอย่างนี้พอจะคิดว่าเป็นความจริงได้หรือเปล่าก็กลิ่นมันก็กลิ่นไงกลิ่นมันจริงหรือเปล่า นแล้วเป็นไงแ่้มันกลิ่นก็กลิ่นเนี่ยมันมันจะพิเศษตรงไหนเรื่องกลิ่นมันทำให้เรารวยได้เปล่าแค่แบบว่าเราเป็นความกลิ่นหรือเปล่าที่พ่อมาก็พ่อมาไม่ไม่คุยกับพ่อผมไม่ได้เห็นนะ ถ้าพ่อมามันก็ต้องคุยกันได้ไงอยังคุยมานี่ยังคุยกันได้ีเาอ่านติดอก็ไม่รู้แหละของมันจริงก็ต้องคุยกันใช่ยังคุยไนี่คุณจริงเเนยคุยกันได้หะแล้วพนันก็คุยกันหรเปล่าไม่คุยไม่คุยแล้วมันจะเป็นอะไร ของจริงอย่งพระพุทธเจ้าคุยเทวดาเนี่ยสนธนาทํากันได้นั่นแหละท้าวสักกะเทวราชเนี่ยคุยพระพุทเจ้าถามปัญหาต่างๆอันนี้ยังไม่ทันคุยไม่ไอะไรไม่รู้เป็นใครว่ามันพ่ออะไรนะ <c oughs> อาจจะคิดเองนะถ้าอะไรมันปรากฏก็พิจารณาว่ามันไม่เที่ยง มันเป็นทุกข์ถ้าไปอยากรู้อยากเห็นฝลยันไปปล่อย ว, วางเห็นแล้วก็ดับใใแต่แล้วก็ดับฮะไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องอะไม่ต้องไปตกุ้งแต่งหลอกตัวเองว่าเป็นนู่นเป็นนี่ไปถ้าเป็นก็เป็นถ้าเป็นพ่อมาแล้วก็ไปก็เขาก็ไปแล้วก็<อ>ามาเยี่ยมมาเยี่ยมแล้วก็ไปแล้วจะทำํำไง มันเสียงเนี่ยมันร่องเนี่ยเดี๋ยวมันก็ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็หายแล้วเราจะแปอะไรกับมานเนี่ยไม่บอกอันนี้เสียงพ่อมาร่องนะ ล, ล้วเราไปแปลความหมายเอาเอ่างใช่ไหมใครยังไม่ทด้บอกว่าเขาเป็นใครมันไปบอกเขาเป็นพ่อเรนะาพอเราคิดถึงพ่อพอกินเหม้นมาก็เลยเป็นพ่อไปเลยจับแพะชนแก่เลยใช่ไหม ออะไรก็วิเคราะห์มันไปเป็นเรื่องเลยกลิ่นก็เรียกว่าเป็นกลิ่นเลยกลิ่นของใครก็ต้องรู้ว่าเป็นของใครเนี่ยไม่รู้ก็อย่าไปว่ามันเป็นของใครยอย่างว่านั่งตรงนี้เดี๋ยวเกิดใครถ่ายลงมาเนี่ยของใครเนี่ยจะว่าเป็นของใครดีไม่รู้ก็ต้องไม่รู้ใช่หไหม <c oughs> จะไปบอกเป็นของคนนู้นเป็นของคนนี้ได้ไง ก็ร่วมเป็นกิ่นะก็จบแต่เป็นของไครเมื่อไม่รู้มันจะทำางไงแล้วก็อีกเรื่องครับคือถ้าเวลาอันนี้ผมยังมสงสัยตอนเวลาที่บวชแล้วกคือว่าบวชที่วัดไหนืหอว่าต้องต้องอยู่ที่นั่นใค้ก็ข้าวารหรือร อ, อย่ า, างไรส่งไปยินมาไม่ได้เออบวชกับอาจารย์อาจารย์ต้องอยู่กับอาจารย์หปี อยู่ป่าซะจาอาจารย์ไม่ได้ไม่ใช่บวชตั้งจะไปเดินทุ ด, ดงเข้าป่าไปคนเดียวโดยที่ไม่มีใครคอยควบคุมไม่ได้เพราะคนบวชใหม่ก็เหมือนเด็กเพิ่งเกิดใหมย่ยังไม่รู้จักภาษีภาษาอะไรยังไม่รู้ว่าวิถีชีวิตของการดําเนินของพระดํานเนินชีวิตแบบไหนอันท อ, อย่างสมมติว่าการมีทีบวชที่นี่งแล้วก็ ขออนุญาตจากอาจารย์ให้บวชเพื่อไปไปอยู่กับอาจารย์อี ก, อกที่หนึ่งแล้วก็ถ้าอาจารย์ให้ไปก็ไปได้ถ้าไม่ให้ไปก็ไปไม่ได้ขอขึ้นอยู่กับอาจารย์เพื่เ อ, อเหมือนอาจารย์เป็นพ่อแม่เราเขาบวชให้เราเขาให้เรามาเกิดในพระพุทธศาสนาเขาก็เป็นพ่อแม่เราเขาก็เป็นเจ้าของเราเราเป็นทาสของเขาห้าปี นอกจา่ว่าเขาอนุญาตส่นคับคือคดีที่สำนักสงโจนะครับ เ, เป็นวัดสายวัฒนธมนะฮะแล้วก็อาจารย์ี่นั่นท่านก็บอกว่าเคยเวลาในในภาษาก็มากาบอาจารย์สุาดีไม่ทราบอาจารย์จะไูไจไม่ได้เขาบอกว่าเขามามาทุกปีครับแล้วมันเกี่ยวอะไระแล้วก็ไม่อดี ที่นั่งสถานที่มันเงียบเวกดีครับแล้วก็ที่พระน้อยก็ไปบวแล้วอนเลยถ้าอยากอยู่ที่ไหนก็ไปบวกระที่นั่นแต่ว่าก็คือว่าถ้าอย่างต่อไปเนี่ยเสียผมอขอมาที <Tyler. S 3> ่น <Okay. S 3> ja ี่ครับเพราะว่ามาที่นี่ก็แล้วแต่จะรับหรือไม่รับเด็กแล้วแต่จะมีที่แล้วไม่มีที่ ส่วนใหญ่ก็จะไม่รับง่ายๆเพราะไม่รู้ว่ า, านิสัยใจคอเป็นยังไงมีพฤติกรรมยังไงไม่รู้เพราะว่าถ้าจ้องภาษารแรกอ่ะผมผมกลัวอยู่ในใจว่าถ้าอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเกิดจะมีเพื่อนมีอะไรไม่น่ใจตัวเองเท่าไหร่ภาษาแรกยางนี่ก็เลยอยากอยู่ที่ที่รบบบ้านเดียวเดีย ว, ยว อ, อยู่เดียววันเดี้ก็ไปอยู่ลยแล้วจะมาทำไมะ ก็ไปอยู่ในที่ไหนเดียวเขาหิวก็อยู่ไปาปีก็อยู่ไปอยากมาอยู่ที่นี่ก็ได้เลยจะได้ราคมันจะอย่างหลายอย่างได้ไงมันก็ต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็เวลาไปซื้อรถเขาก็มีราคาบอกไม่ใช่ซื้อคันนี้ราคาเท่าไรซื้อคันนี้ราคาเท่าไะคุณยาราคานี้ไปซื้ออีกคันอีกอีกคันหนึ่งได้ไงจะเอาเงิน ซื้ถถูกเอาไปไปซื้อรถแทงได้ไงรถแทงก็ราคาหนึ่งรถถูกก็ราคาหนึ่งสถานที่ที่คุณไปอยู่เขาก็มีกฎมีระเบียบมีอะไรของเขาก็ต้องไปศึกษาดูว่าที่เราอยากจะไปอยู่นั้นเป็นอย่างไรพอใจไหมถูกสเปกไหมถูกสเปก็อยู่ไปถ้าไม่ถูกสเปกก็ไปหาที่ที่ถูกสเปกอยู่ ก็มีเท่านั้นน่จะให้ทำยังไงจะเอาสเปคแบบนี้ผสมกับแบบนั้นมาปนกันได้ยที่นี่ก็ชอบอย่างนี้ที่นู้ก็ชอบอย่างนั้ น, อ, อ, ย น, นอยากจะทั้งสองอย่างมาปนกันได้ยงไงชอบชอบปนส่นี้อชอบแบบชอบที่เป็นแค่ครัก็อชอบก็ต้องก็ต้องทนเอบ้างสิแค่าสามเดือนทไมจะทนไม่ได้ มันก็เคลติเกะเพอาะถึงเวลาจริงมันก็อาจจะไม่มีก็ได้นเหมือนมันขับตัวเองอรัมันตัวด้วยความเพียรไม่ดีอยู่ที่พี่หรอกมันอยู่ที่ตัวเราแล้วเราไม่มีความเพียรอยู่ที่ไหนมันก็ไม่มีมันอยู่ที่ตัวเราถ้าตัวเรามีความเพียรเราอยู่ที่ไหนก็เพียรได้ถ้าเราไม่มีความเพียรอยู่ที่ไหนมันก็เพียรไม่ได้ แล้วเราไปศึกษาดูแล้วก็ก็มีบางคนเนี่ามาบวชอยู่ที่นี่ได้พรรษาสองพรรษาก็อยากจะไปแล้วบอกไปก็ไปได้ไม่ห้ามแต่ไปแล้วอยากกลับมาก็แล้วกันถามอยากไปนอกมาทำไมไงไปก็ไปเลยนี่ไปแล้วมาทำไมไปไปกลับกลับเสียไม่อยากไปไม่ดีกว่านะเนี่ยงั้นไปเพราะความอยากไปทำไมไปแล้วกลับมาไปทำไมน การปฏิบัติก็เพื่อให้ตั้งหลักปลักหลักเอาใจให้มันนิ่งให้มันสงบให้ได้ถ้าใจมันไม่นิ่งมันก็อยากไปนู่นมานี่นั่นเดี๋ยวไปที่นู่นก็อยากจะกลับมาที่นี่งช่ไหมแล้วมันได้ไงมันก็ได้แต่ไปไปมาอย่างเงี้ยใจมันก็ไม่สงบสักทีอยากให้มันสงบก็เอามาที่เดียวที่ไหนมันก็เหมือนกันแหะ หาที่ที่มันเหมาะกับเราแล้วเราก็ปักหลักอิวมันตรงนั้นไปเลยตี่ปีเข้าว่าไปปีก็เอานี่นี่บางองค์อยู่มันต้องสิบ ป, ปีถ้าึสี ย, ง, อ ง, อย ง, งก็โปลมานงแต่มาบวชนี่ก็อยู่นี่สิบปีแล้วะ่าที่อยู่อนเขานี่อยู่กันหลายหลายปียงั้นไปไหนมึนก็เหมือนกันแหละไปก็ไปพทพรากิเลส เรามาบวชเพื่อมาฆ่ากิเลสไม่แน่นาส่งเสริมมารับใช้กิเลสท่านยางนะเห็นคิดให้ดีจะบวชแล้วจะดีที่ไหนก็คิดให้ดีว่าต้องอยู่แต่ไอ้ห้าปีสมัยนี้วันตรงเนี้ยส่วนใหญ่เขาไม่ได้มาใช้ันแล้ว่ามันบวชไม่ถึงห้าปีกันเข้าใช่ไหมฮะมันบวชแค่อาทิตย์สองอาทิตย์มันก็เสร็จ ก, กันแล้วไอ้บวชกันจริงๆยริงๆนี่มันน้อย ไปกดห้ปีก็เลยเหมือนกับว่าไม่มีเพราะไม่ได้ใช้ท่านสมัยนี้บวชเขาก็ไม่ได้มาสนใจมาดูแลเราหรอกบวชเสร็จออกจากบวชก็ทางใครทางมันแล้ะคนบวชก็ไปทางคนให้บวชก็ไปทางไมไ่มีการมาดูแลสั่งสอนอบรมกันต้องต้องไปอยู่ตามสำนัดของครูบาอาจารย์นั่นแนหะ ที่ท่านถึงยาคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดคอยควบคุมไม่ให้ออกนอกรูกนอกทางก็ให้อยู่ในกฎในระเบียบนั่นแหละมีตั้งแต่ติ่นมานี่มันมีกฎมีข้อปฏิบัติถึงเวลาหลับตืน่นขึ้นมาก็ไปบินธบาตบินธบาตเสร็จก็เจอกันกว่าถูสาราถูสาราเสร็จก็กลับมาที่พัก มาปฏิบัติบายก็ออกมากวราบานวัดมาดื่ม น, น้ำํำปานะอาบน้ำเสร็จวนะกลับไปที่พักในเดินจงกรมไปนั่งสมาธิปฏิบัติจน ถ, ถึงเช้าเวลาไปบินถบายก็ไปบินส่าบายนเนี่ยให้ทําเนี่ยคุณทําได้ไหมดห้าปีเนี่ยทำไปเรื่อยๆมาบวชก็เพื่อมาปฏิบัติไม่ใช่มามาบวชเพื่อที่มาหาไอ้นู่นหาไอ้นี่กัน ทำไมมีมาบวชแล้วก็มามาหาบุญบางสังสวนกันรับกินนิมนต์กันงานบุญงานบางสุกุลงานบวชงานสวดส ว, ดสวดศพบางสุกุลอันนี้ฟังใจว่าจะไม่เอยาอรึจีนี่ยาวก็ไม่มีที่นี่ไม่รับอะไรงนะั้นพระพอขึ้นมาจาก ฉันเสร็จตอนเช้าขึ้นมาก็กลับไปกุฏิไทยกุฏิมันเนี่ยเดี๋ยวสี่มึงเขาให้ออกมาออกมากันช่วยกว่านลานว่าปลาเสร็จก็ไปเดอนน้ปนาปาน้ากันเดินเสร็จก็กลับไปที่กุฏิไปนะหลับด้ น, นหลับท่าเดินตรงกลมนั่งสมาธิเป็นกว่าดแลถึงเวลาพักผ่อนหลับนอนเช้าก็ตื่นขึ้นมานั่งสมาธิเดินจงกรมก่อนที่จะลงไปบินทบาท การทำอย่างนี้ไม่แค่นี้การบวดงานงานของพระเออาดีมีมีสิงว่าแต่ว่าแฟนเขาบว่าเขาจะรับสิออ่งนีให้พอดีก็กลัวว่าจริงๆแล้วผมก็เลยมาจับคาพูดของตาอยู่พ่อนะครับว่าบาบุญมนก็เป็นสิ่งตรงนี้นะถ้าใจโล่นวลไแล้วก็เลยว่ า, าการวาจะตัดเรื่องนี้ออกไป ไม่ทราบอย่างนี้เป็นความผิดสูงหอเาอแต่ว่าเขคืว่าเขาบอกว่าจะรัะทำไงเราก็ไม่รู้แหละถ้ามันเป็นสมมุติทํำไมาคนต้องไปตกนรกไปขึ้นสวรรค์เงี้ยถ้ามันยังไม่ดลุดมันก็ต้องมันก็ต้องใช้บุญใช้กรรมไป นอกจากไปเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหานย์แล้วมันก็ไม่ต้องไปใช่บุญใช้กรรมเพราะไม่กลับมาเกิ ด, ดหรือวะถ้ายังต้องกลับมาเกิดมันก็ต้องไปเกิดไปตามบุญตามกรรมของต น, นถ้ายังมีกรรมมันก็ต้องไปเกิดในอบายถ้ายังมีบุญมันก็ไปเกิดในสวรรค์ยังไงจ๊ะหุ่ ง, งานาแล้วเหลอเห็นหาวไหมมิทราไร้ฝ่ายยง เาไม่ต้องจอดอะเกาไม่จอดเลยจับองมือจับจับพระพุทธธรรมาระสงฆ์พูะก็ทํารรม่ระสงแล้วหนูจะมีความจะแงร่วงเรืองนะไปไงเร้รป่ะจะเห็นทากา อยากถามหลงสาวนี e. ่เท่งอ่ะส no ุภาพมันช่วยได้จริงไหอะไรนะหลงสาวหลงสมุทรหลงชอบผู้หญิงหลงสาวเผมลองไปดูสิที่แล้วผมมาอยู่ก็ผมว่ามันก็ที่มันอย่างนี้พอาจารย์สมมุทรหยงก็เป็นเรื่องของเซ็กส์เท่านั้นผมเคยนะโอ้ยออกจากวันใหม่โคตรแรงเลยพะอาจารย์เทสตัวเองเลยไปเอาผมนวดเลยหน้าอยู่หน้าตู้ดทำงานว่าผมไม่มีฟิลเลยผกลับบ้าน ยิ่งมันไม่ใช่มันโอเค่องเซ็กซ์เ่อะสุภัฒทีนี้แล้วถ้าเรามันไม่ใช่มันไม่หลงมันไม่รักแต่มันดันไปเข้าใจกระบวนการวิถีชีวิตเขาไปสงสารเขาอยางเงี้ยอ่มันต่อให้ต่อให้เขาขาเป๋หรือเขาอะไรเราก็้อมหวนกับความรู้สึกเนี่ยมันจะต้องคิดยังไงให้มันตัดตรงเนี้ยครับอาจารย์คุณชอบคณขาเป๋ไม่ไม่ไม่ใช่ครับหมายถึงว่า สมมุติว่าปกติคือคือมันจะมีสองสเตปอ่ะสเตปแรกคือถ้าโอเคเห็นสาวสวยอสุภาพก็อาจจะช่วยได้แต่บอกถ้ามันข้ามจุดนั้นไปอาจารย์หมายถึงว่ามันข้ามจุดกลายเป็นเรื่องความเข้าใจวิถีชีวิตไปสงสารไปผูกมใใัดที่ใจผมอยากทราบวิธี ค, <ป>คิดคุณบอมาไปผูงมัดแต่แล้วคุณยังไปมีเซ็กกับเขาเรืเปล่าไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เรื่องเซ็กซ์ครับแต่คุณรู้สึก อาเรื่อนนี่ผมถามดีๆว่าผมอยากทราบว่ามันจะแก้ยังไงจะบังอ๋อจะแก้ว่ามันคนเราเกิดมามันก็มีบุญมีบาปติดตัวมากันมีกรรมติดตัวมากันที่ที่กงที่การที่ตกทุกข์ได้ยากก็เพราะว่าเป็นวิบากกรรมของเขาเราจะช่วยเขาก็ได้ถ้าเรามีปัญญาจะช่วยเขาก็ช่วยเข า, เขาไปก็ไม่เห็นเสียหายตรงไหนทีนี้ท่าน ถ้าช่วยเหลือไม่ได้ก็ก็ปรงไปว่าเป็นกรรมของสัตว์ไปคุณจะไปช่วยคนทุกคนในโลกนี้ได้ไงใช่ไหมคนมาช่วยได้แต่เฉพาะบางคนแล้วต้องคิดหลักอะไรมาคิดเพื่อให้มันตัดตรงเนี้ยครับโอเคเรื่องถ้าเป็นเรื่องการมเรื่องเรื่องความสวยงามหรือมันสัต์สวยอะไรเงี้ยผมว่าโอเคอสุภะผมว่ามันช่วยได้เลยเอแต่ถ้ามันเป็นเรื่องความรู้สึกอะฮะครับสงสารมันไปมันจะปลงรักมันแบบ เธอจะเป็นยังไงฉันก็ยังรักเธอหรืออะไรประมาณเนี้ยอผมไม่รู้จะพูบางไงควรจะเอาแนวคิดทางแหนมาม า, มาย้ําตัวเองตรงเนี้ยฮัถ้าตราบได้ถ้านัดเขาพ่อยังอยากจะมีเซ็กซ์ก็ต้องใช้อสุภาพอยู่ น, นะโอ้ถ้าถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องเซ็กซ์สงมติการบา ง, บา ง, บางผมเห็นอย่างมันคู่บางคนเนี้ยแบบเลยเรื่องจุดนั้นเลยล ะ, ะแต่ม า, าการกวาผูกพนนันอย่างเป็นเพื่อนอยังไงเรื่องความผูกพนันก็ให้คิดถึงว่าถ้าวัานนึงก็ต้องทัดท้าจากกันไป แกเจบตาตเราต้องมีการทัดทาจากกันเป็นธรรมดาถ้าเกิดมีความผูกพันกันเวลาจากกันก็จะมีความทุกข์มีความเสียใจถ้าไม่อยากจะเสียใจก็อย่าไปผูกพันกันถ้าไม่ช้าก็เร็วก็ต้องจากกันคนที่เราไม่รู้จักเวลาจากกันนี้เราไม่รู้สึกเดือดร้อนเลนยแต่คนที่เรามีความผูกพันกันมันก็จะเกิดความทุกข์ใจ อย่างลูกศิษย์กัอาจารย์อาจารย์ตายไปลูกศิษย์ก็ร้องห่มร้องไห้กันแต่ถ้าคอยแล้วเลืกอกยอะเรียกว่าเดี๋ยวอาจารย์ก็ต้องตายจากเราไปไม่ได้อยู่กันตปอย่างถาวรเราก็จะเตรียมตัวเตรียมใจพอเวลาจากกันก็จะไม่เสียวเสียใจพรรู้เรื่องน่าเตรียมตัวไว้ก่อนเมือนกันบฉีดวัคซีนหรือว่าเดี๋ยวจะต้องมีโรคระบาด เราก็ฉีดวัคซีนหรือว่าจะต้องตายจากกันแล้วก็เอาคิดว่าเราจะต้องตายจากกันนี่มาคิดเรื่อยๆเหมือนก็เป็นการเวลาฉีดวัคซีนเราก็เอาเชื้อของโลกนั้นนหละแต่เอามาเป็นจา น, นวนน้อยเอามาฉีดเพืใ่ให้ร่างกายให้ร่างกายมันจะได้ผลิตภูมิต้านทานขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันเรารู้ว่าเราจะต้องพัดท่าจากกันถ้าเราไม่คิดเตรียมตัวไว้กันมันก็จะไม่มีภูมิต้านทาน ถ้เราคอยคิดอยู่เรื่อยๆว่าสักวันหนึ่งเราต้องจากกันนะคิดอยู่นี้ไปเรื่อยๆเห็นหน้ากันก็คิดอะไรอย่างงี้สักวันจะต้องจากกันพอถึงเวลาจากกันหนึงก็จะมีภูมิต้านทานมันจะไม่เสียหลักมันจะไม่เสียใจเข้าใจไครับเหมือนตาแหน่งของคนนี้ที่คุณมีอยู่ตรงนี้ยมันก็แม่ชาวันเดี๋ยวมันก็ต้องหมดใช่ไหม คุณดูคุณก็เลยไม่เสียใจนะถ้าเกิดมันหมดก่อนที่คุณไปคิดนี้คุณจะเสียใจไนหะคุณก็จะโวยวายขึ้นมาเฮ้ยทำนี้ได้ไงวะถ้าเกิดเอบล้มกระดานก่อนเพราะว่ า, เ, าเลือกมาของเก่าที่เลือกมามใช้ไม่ได้คุณก็ต้องเบือดร้อนขึ้นมานะแต่ถ้าคุณคิดเผื่อไปก่อนว่านไม่แ่มันอาจจะไม่ครบวาระก็ได้ อาจจะมีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้มันหมดไปก่อนนั่นก็ได้ให้คุณคิดด้วยก่อนพรอมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาคุณก็เฉยต้องเตรียมตัวเตรียมใจพระอาจารย์สอนให้คิดอยู่เรื่อยว่าไม่มีอะไรในโลกนี้เพ่งแทแน่นอนตายตัวทุกสิ่งทุกอย่างที่เขากําหนดไว้ว่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นนี้มันไม่มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นไปเสมอคนที่เข้ามาสัญญงสัญ ญ, ญาอะไรกับเราเนี่ย บางทีมันไม่ได้ทําการสัญญากันหรอกเวลาอยากจะได้ของอะไรจากเรามันก็พูดดียกยกแม่น้ําทั้งข้ามายินอยันใช่ไหมแต่พอมันเอาของเราไปแล้วทีนี้บังที่เดี๋ยวมันก็เบี้ยวแต่ถ้าเรารู้ว่ามันน่าจะเกิดขึ้นแล้วเราเราทําไปเพราะไม่ได้หวังอะไรมันจะเบี้ยวก็ปอนตมันเบี้ยวไปพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วก็จะไม่เสียใจแต่ถ้าเราไปเชื่อมันว่าโอมันต้องเป็นอย่างที่เขาพูดเนี้ย พอเขาไม่เป็นอย่างนั้นโอ้ยแล้วก็วุ่นวายขึ้นมาทุกข์ขึ้นมาคน ท, ที่ถูกหลอกนี่ก็เป็นนี้ใช่ไหมเขามาหลอกก็ามาพูดชักในน้ำทั้ห้าฟังแล้วก็เชื่อรัาพอเขาได้ของได้เงินเราไปแล้วเขาก็เบี้ยวเบี้ยวทีนี้ก็เสียใจวุ่นวายใจก็เพราะว่าตลายใจที่ว่าจะเป็นไปตาม ท, ที่เขาพูดทุกขเจาบอกว่าอนาคตเป็นไม่แน่นอน มันคดไปคดมาเพราะว่านาคมันไม่ตรงนมันคดไปคดมาไปซ้ายไปขวาไม่แน่นอนถ้าเรารู้มันเป็นอย่างนี้เราก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนเพราะถึงต้องมีอะไรรับประกันบ้างคุณไม่กู้เงินแบงค์นี่เขาจะทําไงให้คุณเอาเงินทักให้คุณทาตามสัญญากับเขาเขาก็ต้องมีหลักทรัพย์ให้คุณมาวางไว้ใช่ไ ถ้ามีหลักทรัพย์ยังไงมันก็ยังมีเครื่องบังคับกันอยู่ถ้าไปเอาแต่ปากเปล่านี่ธนาคารก็เจ๊งหมดแล้วเชียวถ้าไปกู้แบงได้โดยที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์นี่รับรองได้กี่ธนาคารก็ล้มหมดเพราะเขารู้ว่าปากของคนมันไม่แน่นอนแม้แต่มีหลักทรัพย์ก็ยังล้มได้ธนาคารบางธนาคารพอไปเจอหนี้รายใหญ่มันเบี้ยวขึ้นมาอย่นีก็ ก็ล้มได้เหมือนกันพอถึงต้องมีมีประกันไทยมีประกันมา้อีกชั้นหนึ่งก็ื่ประกันไว้อีกทีเงินศาสเนี่ยรัฐบาลรับประกั น, นมันถึงยังไม่หายไปไหนสมัยที่แบงค์ล้มไปหลายแบงค์เนี่ยก็อาศัยรัฐบาล น, นี่แหละมาเป็นคนค้ำประกันไว้ต่อไปเขาบอกเขาจะไม่รัฐบาลก็ยังไม่ค้ำประกันแล้วตัวใครตัวมัน เนี่ยคือความไม่แน่นอนของทุกสิ่งทุกอย่างต้องคิดแบบนี้เสมอเราจะได้ไม่ประมาทนอนใจถ้าคิดบ้างมากมันก็บวดดีกว่าเพราะไม่ไมรู้อะไรก็ไม่แน่นอนใช่สามีก็ไม่แน่นอนภรรยาก็ไม่แน่นอนทรัพ ส, สมบัติเช้าของเงินทองก็ไม่แน่นอนราบยศสลรเสริญสุขในพ้ะเจ้าบอกมันไม่แน่นอนมีเจริมีเสื่อมเป็นธรรมดา เจริญลาบได้ก็เสื่มลาบได้เจริญยศได้ก็เสื่อมย่ได้สัรเสริญก็มีนินทาสุขก็มีทุกข์เราจะไปเอาอย่างเดียวอย่างดีอย่างเดียวไม่ได้หรอกจะเอาแต่เจริญอย่างเดียวไม่ได้มีเจริญก็ต้องมีเสื่อมถ้าไม่อยากจะมีเสื่อมก็อย่าไปมีมันอยมาบวชพระนะลาบก็ไม่มีแล้วสัรเสริญก็ไม่มียศก็ไม่มีแต่ละกัลยาณ์ยังมีคนมาเสนอยศให้พระอีกทำไหม ถ้าก็ไปติดยศกันอีกแต่พระป่านี่ก็ไม่เอาเนี่ยพระป่าก็าเขาไม่เอาในยลาบยศแต่ละเสรนี่เขาไม่เอาเขารู้เขารู้ว่ามไม่แน่นอนมันทุกข์อา น, นิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยที่ให้สอนที่ให้ชนะี้แจงอานิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันจะได้ไม่ทุกข์เข้าใจาป่ะที่มันทุกข์ก็เพราะว่าเรามองไม่เห็นว่ามันเป็นอ น, นิจจังพอมันปิดพอมันไม่เป็นปดังที่เราคิดเราก็ทุกข์ขึ้นมา แต่ถ้าเราคิดไว้ล่วงหน้าว่ามันต้องไม่เป็นไปตามที่เราคิดเนี่ยพอมันเกิดขึ้นเราก็จะได้ไม่ทุกข์เพรฉนั้นสอนให้พิจารณาทุกอย่างว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้แหละสุดยอดของปัญญาอยู่ตรงนี้ถ้าใครเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจะไม่ทุกข์กับทุกสิ่งทุกอย่างพอจะรู้ว่ามีมีเจริญต้องมีเสื่อมต้องมีการภาชาะแก่ตั้งเสมอไม่ช้าก็เร็ว ไม่เข้าไปเราก็ไปหรือบางทีก็ไปพร้อมกันก็มีแค่นี้หละโลกทุกคนนี่เกิดมานี่มีใครอยู่ไปตลอดไหมไม่ดีหรอกที่เราศึกษาประวัติศาสตร์เพื่ออะไรเนยะเพื่อให้เห็นว่ามันจะซ้ํารอยคนที่อยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยานี่ล้มหายตายจากไปหมดแล้วทรัพย์สมบัติของที่มีอยู่ในกรุงศรีก็หายไปหมดแล้วเห็นไหม พวกเราที่อยู่ในยุคนี้ก็ต่อไปมันก็เหมือนกับกรุงศรีนั่นแหละน้มหายตายจากกันเปหมดใครมีทรัพย์สมบัติมากน้อยเพียงไรก็หายไปหมนกลายเนของคนอื่นไปนหมนมันเป็นยงี้มาทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะมีมนุษย์มาเกิดที่ไหนมันก็จะทัน จ, จต้องเจรจบบากันการศึกษา ป, ประวัติศาสตร์ก็ควรจะได้สอนสอนให้เราฉลาดไม่ให้เราโ ง, ง่ไม่ให้เราหลงไม่ให้เราทุกนั่นเอง เั้นถ้าเรายึดติดกับอะไรเนี่ยให้พิจารณาว่าไม่เที่ยงเราจะได้ปล่อยจะได้คลายเตรียมตัวรับกับเหตุการณ์ว่าถ้าวันหนึ่งมันจะต้องเสือ่อมจะต้องจากมาไปหรือเราจะต้องจากมันไปอาจารย์นะครับนีครับมาบวชรัสบายไม่มียอดจะอยู่ได้ไม่มีรากก็อยู่ได้ไ ม, ม, ไดมีบาตใบเดียวนี่มหาลาบแล้วนี่ บาดใดเนี่ยอยู่ได้ น, นี่ยมา40ปีนี่อยู่ได้เพราะบาดไดนี่ลูเชา้าเขาอุ้มมันเดินเข้าหมู่บ้านนะเห็นว่าเต็มน่าซับเดีย ว, ยวขอวันระบาดก็พอ<笑><笑><笑><笑>อย่าไปหลงกับสิ่งต่างๆในโลกนี้มันไม่ใช่เป็นที่พึ่งของเราที่พึ่งของเราคือใจที่สงบใจที่ไม่โลภไม่อยากได้อะไร แล้วจะมีความสุขพระพุทธเจ้าดูไม่มีมากขนาดไหนท่านยังเห็นว่ามันเป็นทุกข์เลยเพราะท่านเห็นความแก่ความเจ็บความตายรออยู่ข้างหน้าเวลาแก่เจ็บตายนี่ต่อให้มีเงินทองระดับไหนมันก็ช่วยอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่ได้แห่เราเล่นถึงเทวทูตไว้เท ว, วเทวูตคือความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็นักบวช ถ้าเห็นเทวทูตแล้วลเดี๋ยวมันก็ไปบวชกันหมดนะะมีใครอยากจะถามอะไรไหมมีจะให้ทร น, นะเรียนเย็นได้นะเหมือนซีวีะจะนนะ้ายพรนะยะถาวาวะหาตุราปราริตุเรน ต, ติสาการังเอวะเมวะอิตโตทินังเตตานังอุปกราปรปฏิ อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสนิจจโตสัพเพปเริรโตุสังกะปาจันโทปนะระสุยทามนิโชติระสุยทัพกิติโยวิวัจจันตุสัพพรโรโควีนะสตุมาเตภวัตวันตรายูสุขีทีขายุโกภวะ อภิวาทนาสีลิบสะนิจังวุฒาปจายิโนยตาโรธรรมาวาัฏาติอายุวันโอสุขังลาละ